ในที่สุดท่านก็วางบาตของพระผู้มีพระภาคไว้ในทางสองแรง่งแล้วเดินหลีกไปทางซ้ายตามความปรารถนาของท่านพระจอมุนีสากยาบุตรต้องนำบาทของพระองค์ไปเองและเสด็จไปโดดเดียวอีกครั้งหนึ่งพระเมขียะเป็นพระอุบาต พ, พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จไปยังชันตุคามเขตปาจีนวังสัก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 แล้วเธอจึงค่อยไปความจริงพระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยของพระเมขยะว่ายังไม่สมควรที่จะไปจึงไม่ทรงอนุญาตหาใช่พระทรงคำนึงถึงความลาบากไหมและไม่ใช่พระองค์จะไม่ทรงเห็นความจำเป็นในการบำเพ็ญสมณธรรมเกี่ยวกับเรื่องสมณธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมให้พิสุกระทาอยู่เสมอพระเมขียะไม่ยอมฟังคาท้วงติงของพระพุทธองค์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 ควาบสุขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรับเช่นนั้นความจริงหากพระองค์จะไม่ตรัสในที่ประชุมสงฆ์แต่ตรัสเฉพาะพระอนุ์เองพระอนุนก็พอใจที่จะอุปถักต์อยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอนน์และให้สงรับทราบในอัทยาศัยพระอนุ์พระองค์จึงปรารบเรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์ความเป็นจริงพระอนนนได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติ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 น, นับถอยหลังจากเวลาที่พระอนุลรับเป็นพุทธอุปัฏาไปเป็นเวลา55ปีในพระราชวังอันโออาร์ของกษัตริย์สักยารามีการประดับประดาประทีปโคมไฟเป็นระยะสวัยไปทั่วเขตพระราชวัง เจ้าสุโกโธนะอนุชาหแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลละพักมีพระพักแจมใสตลอดเวลาส่งทักคนนั้นคนนี้ด้วยความเบิกบานพระไทยพระประยุร ญ, ญาตและเสนาข้าราชบริพารมีความปรีดาปราโมทอย่างยิ่งที่มีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในโลกเขาพร้อมใจกันถวายพระนามราชกุมารว่าอานัติภพรนิมิต ท, ที่นำความปรีดาปราโมทและบันเทิงสุขมาให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 คือสิทธัตถากุมารบุตรแห่งเรานั่นเองทราบว่ากาลังประทับอยู่ณกรุงราชเครราชธานีแห่งพระเจ้าพิมพิสารถ้าพระเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าเราน่ควรจะส่งคนของเราไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผูใดมีความเห็นยังไงก็ขอให้แสดงความคิดเห็นได้เลยมีราช ก, กุมารองหนึ่งชูพระหัตขึ้น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 ข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและศักยะวงทั้งหลายข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นนะ่ะไม่ชอบด้วยเหตุผลข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิทธัตถะแม้จะเป็นยุพระราชมีพระชนมายุยังยาวก็จริงแต่พระองค์บัตดนี้นะ่ะเป็นนักพรตและไม่ใช่นักพรตธรรมดาด้วยยังเป็นถึงพระพุทธเจ้าแม้แต่นักรธรรมดาน่ะเราผู้ถือตัวเป็นกษัตริย์ยังต้องให้เกียรติถวายความเคารพ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 ไม่เคยมีชายชนะเจ้าชายสิทธิ์ถะเลย จากอรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตราสรู้ไปสู่อิสิปทานะมฤคทายวันเพื่อโปรดปัญจวคีและโปรดพระยาศและชดินสาพี่น้องพร้อมด้วยบริวารและเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิยาณที่ส่งให้ไหว้เมื่อเสด็จผ่านมาทางราชคฤห์สมัยเมื่อสแสวงหามโมฆะธรรมได้รับวัดเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา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 ลกมาทำตนเป็นขอทานไปได้มหาบาพิ์เสียงนุ่มนวนกึ่งวานจากพระโอษพระผู้มีพระภาคบัดนี้อัตมภาพไม่ใช่สักยะย่วงแล้วอัตมภาพเป็นอริยวงเป็นพุทธวงพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ทุกๆพระองค์ทรงประธรรมอย่างนี้ทั้งนั้นอัตมภาพทำเพื่อรักษาวงของอัตมภาพมีให้สูญหาย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 จะต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าต้องบรรทมอย่างง่ายๆปราศจากฟูกหมอ น, อ, น อ, อนั้นอ่อนนุ่มใช้ไม้เป็นเคนยต้องอยู่ตามโคนไม้หรือท้องถ้าเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้เนะ่ยแม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวชข้าแต่ประมารดาหม่อมฉันนะ่ะทราบว่าการบวชนะเป็นความลําบาก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 พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงศรัทธาปราทนาจถวายอาหารแ ด, ด่พระภูมิพระภาคเจ้าเป็นประจำและทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเข้าวังทุกๆวันพระจอมุณีทรงปฏิเสธอย่างละมุนละม่อมว่ามหาบุพพิษ ธ, ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเป็นอันมากผู้จำนวหวังเพื่อทาบุญกับพระพุทธเจ้ามีเป็นจานวนมากอยู่ อันนพระพุทธเจ้าไม่ควรไปในที่นิมนต์เพียงแห่งเดียวควรสงเคราะห์แก่คนทั่วไปถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิสุรูปใดรูปหนึ่งเป็นประมุขนำพระสงฆ์มารับโภชนะอาหารในนิเวศของข้าพระองค์เป็นประจำเถิดพระเจ้าปเสนที่โกสลทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนุนนำพิสุจำนวนมากไปสู่ราชนิเวศเป็นประจำ ในสองสามวันแรกพระเจ้าประเสัยทิทรงอังคาาพิสุทธิ์ด้วยโภชนาหารอันประณีตด้วยพระองค์เองแต่ระยะหลังๆมาพระองค์ทรงลืมพิสุทธิ์ทั้งหลายคอยจนสายพระองค์ก็ยังไม่ทรงตื่นบรรทมพิสุทธิ์ทั้งหลายจึงกลับไปเสียเป็นส่วนมากและเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยอเข้าพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ไม่มาคงเหลือแต่พระอ น, นุ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นธรรมเนียมในพระราชวางัง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 พระญาติของพระผู้มีพระภาคเรียนโดยไม่เคารพคือศึกษาอย่างขัดไม่ได้ส่วนพระนางมาริกาทรงตั้งพระไถศึกษาได้ดีพระอนนนนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนนวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทำตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิน่นได้ แต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทําตามเหมือนดอกไม้ซึ่งมีสีสวยมีสันธานงามและในกลิ่นหอมอานอนท์เอ่ยทำที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงฆ์มากแก่ผู้ไม่ทําตามโดยเคารพไม่สาธยายโดยเคารพและไม่แสดงโดยเคารพ